อนุบัญญัติ1นึ่ันนึง้อิกหนึ่งพิีใดผู้ไม่เป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเท้าต้องอบัตตาจิตตีเรื่องพิกษณีเป็นไข้จบ